ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประพติยานกำลังนำเสนอพระพุทธดำริที่ทรงมองสัตวโลกแล้วก็แยกแยะออกไปก็เป็นสองกลุ่มใหญ่ใหญ่เช่นว่าอินทรี์ก็พูดถึงซีอ่อนอินทรีแก่พูดถึงอาการดีอาการสาม วิถึงรู้ได้ง่ายสอในให้รู้ได้ยากนะคร แ, แสดงว่าแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆแล้วก็ทรงนําเข้าไปเทียบเคียงกับดอกบัวสามเหล่านะบาลีบอกว่ามิวบมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมหรือดอกบุนฑริกในกอบุนฑริกตัวนี้ท่านฟังได้กออกนะว่าดอกบัวสามชนิดเนี่ย อยู่ในสระบกณีของพระองค์สมัยที่เป็น ร, ราชกุมารอยู่ใน ก, กรุงกบินลพัดพระเจ้าสุโทธทนะได้สร้างอุทยานแล้วก็ขุดสระน้ำแล้วก็ปลูกปลอกบัวให้ตอนที่เป็นราชกุมารกาลังคุ้นคิดถึงปัญหาโลกและชีวิตเนี่ยพระโทธิสัตร์ก็เข้าไปอยู่ในอุทยาน ก็มองคนมองสัตว์มองต้นไม้มองดอกปัวในดอกบัวก็กลายเป็นครูที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะฮะฉะนแต่เราพบในตอนหลังพบว่าผู้เจ้านําดอกบัวมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารธรรมะเป็นเป็นอันมากแล้วก็หลาในญาติด้วยกันส่วนมากจะเป็นเรื่องประณีตบางครั้งบางคราวอาจจะสอนให้คนมองเห็นว่ามนุษย์เนี่ย สามารถจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก็ตามอาจจะเริ่มต้นที่ศูนย์แต่มีมีสำนึกดีงามมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นมีความฝ่ายดีแต่พยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองลองผิดลองถูกหกลง้มกลุกก็ไม่รู้แหละกี่ปีก็ช่างพอถึงจุดหนึ่งก็มายืนอยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับนักถือของสังคม ตามต้องควรแก่ฐานะนั้นๆได้ก็เหมือนดอกบัวที่มันเกิดในโคนล น, น, นะโคนตรมก็มีกลิน่นเหม็นนะโคลนตรมก็มีกลิ่นเหม็นหรือเกิดในกองขยะที่สปกปรกแต่ในสุดก็ยกตัวเองขึ้นมาพ้นโคลนตรมพ้นกองขยะ แล้วก็ดอกบัวนั้นก็กลายเป็นดอกบัวที่นำไปสักการบูชาคู่ควรต่อการถวายพระราชาหมากษัตริย์คู่ควรต่อการถวายพระพุทธเจ้าคู่ควรต่อการถวายพระราหัน ท, ท, ทั้งๆที่ที่มาของเขาก็คือคนตรงแต่ว่าเมื่อแกพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีข้าวของความเป็นคนตรงอยู่เดี๋ยวลากยิ้งความเป็นคนตรมออกไป โดยการกระตุ้นเตือนนะมนุษย์ได้คิดว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดมาแล้วในพัฒ น, นาตัวเองได้ไม่ได้ยอมจมปลักอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งคือบางครั้งบางคราวเนี่ยจะน่าความยากจนเราเป็นคนจนแล้วใครรวยล่ะเกิดมามันไม่มีอะไรทั้งนั้นนั่นแหละสื้อผ้าเสืผืนยังไม่มีเลยก็อาศัยสม บ, บัติของคนอื่นแล้วคนส่วนใหญ่เมื่อก็จนในบ้านในเมืองเนี่ย เรียกว่าเจ็ดแดสิเปอร์เซ็นต์เี่ยก็เป็นคนจนนะแล้วก็จนอมากมากเดมก็เรียกว่าไม่น้อยกว่าสามิเปอร์เซ็นต์ะจนมากมากแล้วไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะยุคนี้หรือยุคไหนคนจนไม่มีอยู่ทั้งนั้นนะคแต่เราไม่งงว่าคนจนที่เขาเปลี่ยนแปลงสถานะของเขาคนโง่ที่เปลี่ยนแปลงสถานะของเขา ลกชาวนาตาศีตาสายมายามีที่ก็เปลี่ยนแปลงสถานะของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากอะไรทําไมไม่ดูเขาเป็นตัวอย่างหละ่ะเอยทำไม่ไปซ้ําเติมตัวเองอ่ะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจคือเราจะเห็นวาบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอภิสิทธิชนถ้าเป็นจนแล้วก็ทําเป็นอภิสิทธิชนจะปิดถนนจะทําอะไรจะก่อกวนอะไรก็ได้คือมันไม่ใช่อภิสิทธิชน ทุกคนนั้นเสมอกันแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นในชีวิตนั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามเรามันไม่มีใครที่มีทรัพย์สินเงินทองล่วงมาจากคว้าคว้าหรอกเรากคนตนที่กลายเป็นคนรวยที่ก็ามาจากศูนย์เป็นกุลีเป็นกรรมกรอย่างบ้านเมืองเราเวลาไม้มีเยอะเลยนะรีๆเป็นยุคที่น่าศึกษา คนรุ่นใหม่นี่ใช้อายุตัวเองระดับถึงคล้ายๆกลางคนแถวกลางคนเนี่ยจากกุลีกรมังกรเด็กรับใช้มาเนี่ยก็สามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงได้โดยมีความเฉลียวฉลาดไว้พริปฏิพารานรู้การบริหารการจัดการฉชชสวยโอกาสก็ในทางที่เหมาะที่ควรนะมันก็มีเพราะอย่างคำกรบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่า ลูกคนจนค้นแขงแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโพรเป็นเมธีเหตุชนี้ไม่ควรหลูดดูมิกันนั้นปรึกษาข่าแรกเจริญสีใชยจันมีต้นใบใหญ่มาหานทุกๆต้นดังต็ดเล็กมาโดยกันตอนนันวันจึงเขียวคุ้มจะอุม่มใบที่จริงคนโดยทั่วไปเนี่ยมันดูถูกตนเองนะคือไม่ใช่คนอื่นเขาดูถูกอย่างภาสิทยีนที่บอกว่า คนเราดูหมิ่นตนเองก่อนแล้วจึงถุกคนอื่นก็ดูหมิน่นอย่างคนจนบางทีไปซ้ำเติมตัวเองขี้เกียจทำงานได้งานมาแล้วได้เงินมาแล้วตั้งวงโกงเล่ากันหมดแล้วก็ไปเล่นการพ น, นันคืออยู่อย่างนี้ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวกลัวจะเสียคะแนนกลัวเขาจะไม่เลือกตั้งตอนสมัครไปแล้วมาเวลาข้าบรรยายโครงการเป็นินธรรมเป็นินตอนพูดตลอด ก็อบยี่สิบกว่าปีแล้วพูดกันมาเนี่ยคือบอกว่าตรงนี้เรายอมรับไหมว่าเรามีปัญหามันไม่ใช่สังคมยัดเยียดให้เราแต่เราไปยัดเยียดให้เราเองในขณะที่คนเดินเนี่ยเรานอนเนี่ยแล้วเราจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไงมักก็สอนนิทานเรื่องกระตายกระเตา่ตาที่แข่งขันกันมาก็มันอยู่ที่ว่ามีความมั่นขยันที่ต่อเนื่องหรือไม่และโอกาสที่ประสบความสําเร็จมันก็มี วันประเภทดอกบัวเนี่ยในแง่ของความจริงมันก็มาจากโคลนตมด้วยกันมันไม่มีดอกบัวชนิดไหนที่ประโผรขึ้นมาพ้นน้ำเลยเหรอกมันขึ้นมาจากโคลนตมด้วยกันแต่ว่าในขณะนั้นๆเนี่ยดอกบัวเหล่านั้นก็โผรมาอยู่ในจุดที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการในการมองเทียบเคียงคน ซึ่งก็หมายความว่าดอกบัวเหล่านั้นแหละดอกบัวที่อยู่ในน้ําแล้วก็น้ําท่วมอยู่เนี่ยวันหนึ่งแกก็โผล่ขึ้นมาได้โผล่มาจากโคลนต้มด้วยกันให้ลองสังเกตนะว่าโผล่มาจากโคลนต้มด้วยกันไม่ได้มาจากสวงสวรรค์ที่ไหนและถ้าเราเข้าใจประเด็นของดอกบัวตรงนี้มันจะมีโลกทัศน์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมองโลกมองชีวิตมองสังคมด้วยความเข้าใจมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่าชาวบ้านเขามองพระเนี่ยก็ต้องมองว่าพระก็มาจากโคลนตรมแล้วขึ้นมาจากโคลนตรมอะบ่ชขึ้นแบบดอกบัวนี่แหละขึ้นมาก็ต้องให้เวลาหน่อยจิคุณจะมาเอาเจ้าตอนอยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาบวชสงสามวันดานั้นเองจะให้บรรลุแล้วจะให้เรียบร้อยแล้วจะสวยงามแล้วคือชอบเกเ น, น่กว่านี่เพง่ง อย่งชอบใจคาพูดของรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงศึกษาธิการดัน บ, บอกว่าสังคมพูดที่แปลกไม่เหมือนกระทรงคมคิดสังคมอิสลามคือต้องเคร่งครัดด้วยกันแต่สังคมพูดในชาวบ้านเป็นยังไงไม่รู้ขอให้พระเคร่งก็แล้วกันเพราะไม่ได้มีบทบาทอะไรในสังคมเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมก็นานๆโผล่เราไปสักทีเนี่ยชาวบ้านนั่นแหละมีบทบาทในสังคมจะให้เปลี่ยนแปลงสังคมเป็นบวกเป็นลบมันไม่อยู่ที่พะระหรอก ราบมันเป็นปัจจัยเสริมเฉยๆเป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักอะไรทีนี้ดอกบัวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็ช่า ง, งนะะแต่ว่าในที่นี้เราสังเกตเป็นดอกบัวที่อยู่ในอุทยานของพระองค์ในทรงนั้นที่ที่ทรงพิจารณาอยู่เนี่ยอย่าลืมว่าอยู่ที่ต้นไทรอาจจะปานิโครธและถ้าเราไปที่ต้นไทรเวลานี้ซึ่งก็ยังเหลืออยู่นะ ก็คงจะเป็นลูกลหลานเลีื่อของตน้นไสรต้นเดิมมันก็อยู่ใกลกับแม่น้นําเดรันเชราแล้วแม่น้นําเดรันเชราเองก็ไม่มีกบัวต้นกบัวจึงเป็นสัญญาในอดีตของพระพุทธเจ้าที่ทรงคิดค้นมาจากดอกบัวตั้งนานแล้วนะก็เรียกว่าอาจจะสิบปีที่แล้วก็ได้เพราะพระองค์เริ่มคุ้นคิดอยู่ในอุทยานในหลายปี ติดสังเกตติดตามสิ่งต่างๆและพยายามจะเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตให้เข้าใจได้ลึกซึ้งดอกบัวเหล่านี้ก็บอกว่าที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้าบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วเห็นหมมันมีสามดอกแทนเด่คือดอกที่ ยังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้ดอกหนึ่งนะฮะบางเราตั้งอยู่เสมอน้าดอกหนึ่งบางเราตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วคือก้านมันเลยเลยผิวน้ำขึ้นหปแล้วไม่มีการพูดถึงดอกบัวที่เป็นพักษาของปลาและเสา่าแต่เป็นการมองภาพดอกบัวที่ปรากฏในขณะนั้นๆั้นเข้าใจไม่ควรลืมก็คือดอกบัวประเภทที่บางเรายังจมในน้ำมา น, นาเลี้ยงไว้เนี่ย อีกไม่กี่วันแกก็โปรก้นมาได้โปรขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนกันเพราะการเกี่ยวข้องกับคนด้วยการเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานสั่งงานคนอะไรก็ตามเราก็ต้องนึกถึงคนประเภทสี่ประเภทหรือว่าดอกบัวสามประเภทนี้ก็ได้คือต้องให้เวลาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยดอกบัวทั้งหลายแกก็ถูกคนน้ําเหมือนกันแต่ต้องมองในขณะนั้นเนี่ย ไอ้ดอกล่างสุดเนี่ยก็ยังเสียงพวกเป่าพวกปลาพวกปูอาจจะไม่กินนี่ก็ได้แต่ก็อาจจะไม่กินก็ได้นะฮะเพราะว่าดอกที่พ้นน้ํามันก็อยู่อยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่สัตว์ก็ไม่ได้กินเพราะฉนั้นไอ้เงื่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญบางครั้งบางคราวก็ต้องรอค อ, อยต้องเปิดโอกาสให้เขา ไม่ใช่ว่าตัดสินกันโครมครามอย่างบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเช่นเวลาพูดถึงสมมติว่ารัฐบาลใหม่ตอนที่หาเสียงก็สัญญิงสัญญากันจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสมมติจะสร้างถนนเนี่ยพอเป็นรัฐบาลได้เดือนสองเดือนทวงถนนแล้วมันก็เกินไปะนะ คือไม่รู้จักกระบวนการของถ น, นนกระบวนการการงบประมาณเสนอโครงการากอะไรๆมันต้องเยอะมันต้องสมรวจมันต้องอะไรอีกเยอะเลยลําดับขั้นตอนเนี่ยรัฐบ า, ารบอกไว้ว่าถ น, นนแล้วก็สร้างเสร็จเนี่ยมันต้องดิรมิตรเอานะฮะแบบพระรามจองถนนข้ามส ม, มุดเนี่ยมันต้องทําอย่างงั้นนะแต่ทำจริงๆมันทําไม่ได้หรอกมันทําเป็นนิทานนะทําได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมองถึงกระบวนการ เพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นกระบวนการแล้วก็โอกาสความพร้อมการรอคอยการจัดเตรียมให้คนพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ในบางก่อนว่าบางทีเนี่ยบางทีต้องการจะสอนคนสักคนหนึ่งแต่ว่าเพราะเชื้อยังไม่ติด มีที่พระโบราณอาจารย์รูปาอาจารย์ในอดีตที่ท่านต้องการจะเอาคนมาสักคนหนึ่งเพื่อเข้ามาบวชในศาสนาเนี่ยอย่างเช่นพระสิขวะท่านต้องการจะโมกกับพระโมคกขารีบุตรหรืโมกัารีบุตรนะตอนนั้นก็เป็นเด็กจะเอามาบวชสนามเณรนี่ยนะท่านเดินผ่านหน้าบ้านพราหมณ์อยู่ในเจ็ดนปะีไม่ได้อะไรเล ย, เลยทักษักคำยังไม่ทักเลย นักภาษาอะไรจะไปถวายอาหารปิดบาทวันหนึ่งก็นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้บอกว่าพระคุณเจ้านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดปเิระก็เดินผ่านไปเดินไปเจอกับพราหม์บิดาพราหม์ถามว่าเป็นไงสมณะได้อะไรบ้างไหมเขาบอกว่าได้แล้วชักโกรธใหญ่ที่ไปตักบาตรถวายพระก็กลับไปถามที่บ้าน บอกพวเธอให้อะไรแก่พระเขาบอกไม่ได้ให้ก็จ้องดักแหละรุงเช้าเห็นมาติร ะ, ระก็ต่อว่าเลยเมื่อวานเนี่ยท่านโกหกเราถามมาได้อะไรบ้างท่านบอกก็ได้แล้วมาติระบอกไม่ได้โกหกเพราะว่าเดินผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยที่บ้านนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยได้คําว่าโปรตี่มนโปรดี่ลกางหน้าเจ็บมีมนโปรดสัตว์กลางหน้าเถ็บ รามก็ประทับใจนะะว่าขนาดได้คําพูดขนาดนั้นอย่างไปถือว่าได้เลยยกย่องตวนก็เริ่มทามุลตักบาตรสเตราก็เข้าใกล้ชิดสนิทสนมไปเรื่อยๆนะฮะในที่สุดก็เอาโมคคลีบุตรออกมาบวชได้อันนี้ก็คือแนวอะไรคือแนวไปเจอดอกบัวประเภทที้มันอยู่อยู่ใต้น้ำน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เัาก็ใกล้กับโคนต ม, มันก็ต้องรอกันหน่อย ปัญหาสําคัญว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยคือไปตั้งเป้าขีดเส้นออกไปเลยว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยฉันจะเอาอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเนี้ยโดยไม่รู้ว่าตัวเองก็เอาก็จริงก็ทําไม่ได้แต่กว่าจะมาขีดเส้นในคนอื่นได้มันผ่านเวลามาเท่าไหร่ล้วผ่านการศึกษาผ่านการอบรมผ่านการปรึกปรือกันมาเท่าไหร่ก็ไม่มองในลักษณะนี้ บ า, าบางครับางข่าวอย่างมาตรการวันก่อนดูข่าวข้าราชการแต่ไม่ได้อ่านนะถึงไม่อยากอ่านที่ว่าถูกปลดข้าราชการไปทั้ง25คนเรานึกดูว่าข้าราชการ25คนนี่นะฝึกปลืออบรมกันมาเนี่ยผ่านภาคสนามในความํำนาญและอยู่ในวัยที่จะทำ ง, งานให้แผ่นดินเนี่ยปลดไปเลยเนี่ยมันไม่รุนแรงไปหรยอ นั่นคือคนของแผ่นดินนะทำไมไม่เปิดโอกาสล่ะทำไมไ ม, มีมาตรการอื่นล่ะไอ้มาตรการทำไมไปขีดเส้นมันสูงเกินไปล่ะคนไม่ใช่เทวดาเนี่ยนะคนก็คือคนน่ะคนมราต้องอยู่กันด้วยการให้อภัยการอดทนการรอคอยมาตรการฝึกคนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ไปขีดเส้นแต่ถือว่าคนนั้น สามารถจะไต่บันไดสวรรค์ก็ต้องให้เวลากันหน่อยโดยเว่าอาบัตสิกขาบททั้งหลายที่พระเจ้าทรงวางไว้เจ็ดประเภทนะเจ็ดกองใหญ่ๆจะเรียกเป็นกองนะที่จริงก็เจ็ดระดับนะเจ็ดระดับคือยกเว้นแต่สี่ข้อแต่นั้นเองถือว่าเป็นโทษประหารเพราะมันยากก้านเกินไปไม่เหมาะที่จะเป็นสมณนะ แล้วไม่เหมาะแต่แม้จะเป็นคนดีนะฮะไม่ต้องพูดถึงเป็นนักบวชถ้าเป็นคนดีก็ใช้ไม่ได้ก็ให้สละสมณเพศออกไปแต่ไม่ใช่สละความเป็นชาวพุทธออกไปก็ต้องจับประเด็นให้ได้ไม่ได้สละความเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธยังอยู่ยังเป็นอุบาสกยังสามารถศึกษาทำปฏิบัติรธรรมเจริญสมถกรรมฐานนิพพานากรรมฐานเรียบร้อยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าให้สละสมณเพศออกไปเท่านั้นเอง นอก น, น, นั้นจะเปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองหกล้มบกลุกกันก็ไม่รู้เท่าไร่ก็ได้ก็ธรรมดามันกหกล้มบกกลุกกันนะั่นแหะคนทีนี้ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาปรับปรุงตัวใหม่แก้ไขตัวใหม่เรื่องบางเรื่องนะั้นมีความสลับซับซ้อนนะบ้านเมืองเว้ลานี้คนะือมองชั้นเดียวไม่ได้พูดง่ายว่าบ้านเมืองเวลเนี้มองชั้นเดียวไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเห็วนว่าสมมุติว่า ผู้แทงกอซื้อเสียงอย่างนี้มองชั้นเดียวไม่ได้มันต้องมองกันหลายชั้นนะเพราะว่ามนุษย์ เ, เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดมีมายามีเสียแซงมีโอ้อวดมีแข็งดีมีปากปราใสใจเชือดคอมือถือสากปากถือศีนมือปากหวานก้นเปรี้ยวต่อห น, าาน้ามาพราบรับหลังตะโก ทีนี้ถ้าไม่ทันเกมเขาเนี่ยแพ้เลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยกลายเป็นแพ้ระปากคือคนบางคนที่ใจเคาบาปเนี่ยก็ทำได้สารพัดขอบรรลุวัตถุประสงค์เป็นพอก็อนี่ลองสังเกตว่าในสมัยโบราณอนะัตอมาไม่ต้องโอโบราตนะนะตอนอัตมาไปศึกษาทินเดียเมื่อหนึ่งห้าเนี่ยคือเป็นภาพที่เราเข้าไปไอูนเหตุการณ์พอดี ลงเครื่องบินก็เจอจะลาจนเลยแล้วก็เขามำังคว้างตะลุมบอนกระดดดโดนก้อนอิดก็ไปก่อนด้วยพวกที่ไปด้วยกันก็อย่างกระซ้าอยู่จนด้วยวนตอนรับโดยกอนอิดแหละวากีสถานตะวันตกกับตะวันออกที่รบกันตัวจะเห็นว่าคนตายกันเยอะเลยแล้วสองสกุลเนี่ยฮะ ต, ตรกูบุตโตกับไอ้เช็คมจิตเนะี่ยก็เวลานี้ก็ลูกสาวก็เป็นใหญ่คนหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้านดูเจ่ตอนนั้นน่ะคนตายเยอะไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบพิธีการเราเจี่จว่ามันจะล้างถึงเผ่าพันธุ์ถึงสายเลือดถึงาศาสนาแต่ว่าคอยบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองเท่านั้น นันปัญหาการมองโลกมองชีวิตมองชั้นเดียวไม่ได้แต่มองชั้นเดียวแล้วเนี่ยคนดีนี่จะถูกกำจัดออกไปเพราะคนดีนั้นจะเป็นขัดขวางคนชั่วแต่มามีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าเวลามีคราวที่พระจะได้เลื่อนสมณศักดิ์กันแถวเดือนธันวาเนี่ยนะรายพฤศิกาต้นธันวาเนี่ย จะมีบัตรสนเท่บ่อยแล้วพระที่ถูกด่าก็คือพระรับเรื่องธรรมศาสรกันแะด่าเป็นมหากรรมเลยและส่วนมากจะเรื่องผู้หญิงก็เป็นธรรมเนียมไปเลยแล้วก็พอท่านได้เรียบร้อยก็เงียบเรื่องก็เงียบไปคือไม่ได้แน่จริง้า แ, แน่จริงเนี่ยต้องโจทย์ก่อนแล้วก็ลงชื่อเป็นหลักเป็นฐานมาเลย เขียนเรอปัสสนเทมันไม่ได้ประโยชน์มันไปสร้างความเครือบแคงสงสัยว่าพระผู้ใหญ่ขนาดนี้พระผู้น้อยจะเป็นยังไงในสุดคนก็สงสัยในพระหมดเลและพระองค์นั้นเองก็กลายเป็นตราบาปหรือเป็นมนทินใจที่ควรพบเห็นท่านก็นึกเอ๊ะจริงไม่จริงจริงไห่จริงปัจจุบั น, น, แ น, า น, านแล นั่นคืออะไรคือริษยาหรือปรารถนานดีหรือความจริงใจแต่ทั้งหมดเนี่ยมีความคลุมเครือหมดไม่กระจ่างทั้งสองทางเจตนาเป็นกุศลก็ไม่ชัดเจนนะฮะเจตนาเป็น อ, อกุศลก็ไม่ชัดเจนแต่ว่ากระทบต่อคนที่อยู่ในเอกสารนั้นนะที่มีชื่ออยู่ในเอกสารนั่นนะแหละแล้วก็เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามคนอื่นหมดนะยกนอกจากชื่อตัวเอง นั่นคืออะไรคือไม่สุจริตไม่มีความจริงใจถ้าเป็นตอดอกบัวก็ประเภทที่ก็ยังอยู่ใต้น้ำนะฮะรายครนตรมอยู่ก็ต้องรอเวลานะต้องรอเวลาให้ท่านเหล่านี้โตขึ้นแล้วมีความสานึกมีความเข้าใจเหตุผลวันหนึ่งถ้าท่านโดนด้วยตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกว่า มันน่าสลดที่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีเรื่องที่ก็สร้างขึน้นเพราะปัญหาเหล่านี้ที่จริงเนี่ยคนทำแต่น้านเองเป็นคนรู้คนอื่นไม่รู้หรอกจริงไม่จริงยิ่งปัญหาเรื่องเรื่องทางเพศแล้วนี่คนก็มีลูกกันเป็นโหลเลยก็ยังไม่มีใครเห็นนักภาษาอะไรกับเรื่องของคนเดียต้องไปหลบๆส่อนๆ แต่นั้นข่าวที่ออกมาในรูปบทสนเทศเนี่ยมันแส ด, ดงถึงความอ่อนด้อยในวุฒิภาวะขาดสำนึกรับผิดชอบต่อข้อมูลหลักฐานที่ตนบอกว่ามีนี่ก็คือคนแหละต้องฟังทั้งหลายแต่รมประพฤติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี